สีปัจจยปัจจญญาณุโลมในเหตุตทุกข์กัในหกรอยสามอารามณปัจจัยกับในเหตุปัจจัยมีเก้าวาระอธิปติปัจจัยกับในเหตุปัจจัยมีสิบวาระอนันตรัปัจจัยกับในเหตุปัจจัยมีเจดวาระสมาันตรปัจจัยกับในเหตุปัจจัยมีเจดวาระสหชาตปัจจัยกับในเหตุปัจจัยมีเก้าวาระ อัญญมัญญปัจจัยกับนาเหตุุปัจจัยมีสาวาระนิติยปัจจัยกับนาเหตุุปัจจัยมี13าวาระอุปนิทยปัจจัยกับนาเหตุุปัจจัยมี9วาระปุเรชาตปัจจัยกับนาเหตุุปัจจัยมีสามวาระปัจฉาชาตปัจจัยกับนาเหตุุปัจจัยมีสวาระอาเสวนปัจจัยกับนาเหตุุปัจจัยมีสามวาระ กัรมมปัดใจกับนาเหตุทุปัจจัยมี7ดวาระวิปลากัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมี7วาระอินตรียปัจจัยกับนาเหตุทุปัจจัยมี7วาระชานะปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมี7วาระมัคคปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมี7วาระสัมปยุตตปัจจัยกับนาเหตุทุปัจจัยมีสวาระ วิปปยุตตะปัจจัยกับนเหตุุปัจจัยมีห้าวาระอธิปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสิบาวาระนัตติปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีเจดวาระภิคขตปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีเจดวาระอวิคขตปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีสิบาวาระติกนัยอธิปฏิปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและวนอารามณปัจจัยมีเจดวาระ อนันตระปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและนอารามณปัจจัยมีเจดวาระสมาันตรปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและอารามณปัจจัยมีเจ็ดวาระสาชาตรปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและอารามณปัจจัยมีเก้าวาระอัญญมัญญาปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยและอารามณปัจจัยมีสามวาระ นิตยปัจจัยกับนัเหตุปัจจัยเลยนะอารามณปัจจัยมี13วาระอุปนิตยปัจจัยกับนัเหตุปัจจัยและนะอารามณปัจจัยมี9วาระปุเรชาตปัจจัยกับนัเหตุปัจจัยและนะอารามณปัจจัยมีสวาระปัจฉาชาตปัจจัยกับนัเหตุปัจจัยและนะอารามณปัจจัยมีสามวาระ อาเสวนปัจจัยกับนาเหตุุปัจจัยแลนะอารามนาปัจจัยมีสมวาระกรรมปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยแลนะอารามนาปัจจัยมีเจดวาระวิปากปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยและนะอารามนาปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยและนะอารามนาปัจจัยมีเจดวาระ อินทรียปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยละอารามณปัจจัยมีเจดวาระชานาปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยละอารามณปัจจัยมีเจดวาระมคปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยละอารามณปัจจัยมีเจดวาระสมปยุตตาปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยละอารามณปัจจัยมีสมวาระวิปยุตตาปัจจัยและนาเหตุปัจจัยละอารามณปัจจัยมีหวาระ อธิปัจจัยกับนเหตุปัจจัยระณอารามณปัจจัยมี13วาระนัติปัจจัยกับนเหตุปัจจัยระณอารามณปัจจัยมีเจดวาระวิกตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยระณอารามณปัจจัยมีเจดวาระอวิกตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยระณอารามณปัจจัยมี13วาระจตุกนยอนันตรปัจจัย กับนาเหตุปัจจัยณอารามณปัจจัยและณอธิปติปัจจัยมีเจดวาระสมานตรปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระสหชาตปัจจัยกับละมีเก้าวาระอัญญมัญญปัจจัยกับละมีสามวาระนิสัยปัจจัยกับละมีสิสามวาระอุปนิสัยปัจจัยกับละมีเก้าวาระ ปุเรชาตปัจจัยกับพระมีสามวาระปัจฉาชาตปัจจัยกับพระมีสาวาระอาเสวะนปัจจัยกับพระมีสามวาระกรรมปัจจัยกับพระมีเจ็ดวาระวิปากปัจจัยกับพระมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยกับพระมีเจ็ดวาระอินทรียปัจจัยกับพระมีเจ็ดวาระ ชานะปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระมัคคัปปะจัยกับละมีเจ็ดวาระสัมปยุตตปัจจัยกับละมีสามวาระวิปยุตตปัจจัยกับละมีห้าวาระอัติปัจจัยกับละมีสิบสามวาระนัตติปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระวิคตปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระอวิคตปัจจัยกับละมีสิบสามวาระละ ปัญจกนายสมานันตรัปัจจัยกับในเหตุปัจจัยนารามณปัจจัยนาทิปติปัจจัยและนะอนันตรัปัจจัยมีเจ็ดวาระสหชาตปัจจัยกับละมีเก้าวาระอัญญมัญญาปัจจัยกับละมีสามวาระนิตยปัจจัยกับละมีสิบสามวาระอุปนิตยปัจจัยกับละมีเก้าวาระ ภูเรชาตปัจจัยกับพระมีสามวาระปัจฉาชาตปัจจัยกับพระมีสามวาระกามปัจจัยกับพระมีเจ็ดวาระวิปากปัจจัยกับพระมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยกับพระมีเจ็ดวาระอินตริยปัจจัยกับพระมีเจ็ดวาระชานปัจจัยกับพระมีเจ็ดวาระมัคคับปฏิจัยกับพระมีเจ็ดวาระ สัมปยุตตาปัจจัยกับระมีสามวาระวิปยุตตปัจจัยกับระมีห้าวาระอธิปัจจัยกับระมีสิบสาวาระอวิคตปัจจัยกับระมีสิบสามวาระจักกนัยสหชาตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยนอารามณปัจจัยนาอธิปฏิปัจจัยนาอนันตรปัจจัย และนสสัมมันตรปัจจัยมีก้าวาระอัญญมัญญาปัจจัยกับละมีสามวาระนิสยปัจจัยกับละมีสิสามวาระอุปนิสยปัจจัยกับละมีก้าวาระปุเรชาตปัจจัยกับละมีสามวาระปัจฉาชาตปัจจัยกับละมีสามวาระกามะปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระ วิปากัปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระอินตริยปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระชานปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระมัคคปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระสัมปยุตตะปัจจัยกับละมีสามวาระวิปยุตตะปัจจัยกับละมีห้าวาระอธิปัจจัยกับละมีสิบสาวาระ อวิคตปัจจัยกับละมีสิบสามวาระสัตตกนัยอัญญามัญญาปัจจัยกับนาเหตุุปัจจัยนอารมณปัจจัยนาทิปติปัจจัยนาอนันตรปัจจัยนาสมานันตรปัจจัยและนาสหชาตาปัจจัยในมือเล็บมีสามวาระนิสียปัจจัยกับละมีสามวาระอุปนิสียปัจจัยกับละมีเก้าวาระ บุเรชาตปัจจัยกับละมีสามวาระปัจฉาชาตปัจจัยกับละมีสามวาระกามปัจจัยกับละมีสองวาระอาหารปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอินทรียปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระวิปยุตตปัจจัยกับละมีห้าวาระอธิปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระอวิคตปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระ อัตตะไนนิตยปัจจัยกับนเหิตุปัจจัยนะอารามนะปัจจัยนาทิปฏิปัจจัยนะอนันตรปัจจัยนะสหชาตปัจจัยและนะอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระอุปนิตยปัจจัยกับละมีก้าวาระปุเรชาตปัจจัยกับละมีสาวาระปัจฉาชาตปัจจัยกับละมีสามวาระ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 นอัญญามัญญะปัจจัยและนาณิติยปัจจัยมีก้าวาระปุเรชาติปัจจัยกับละมีสามวาระปัจฉาชาติปัจจัยกับละมีสามวาระกรรมปัจจัยกับละมีสองวาระอาหารปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอินทริยปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระวิปยุตตาปัจจัยกับละมีสามวาระ อธิปัจจัยกับละมีห้าวาระอวิกตปัจจัยกับละมีห้าวาระละเอกาทัศกนัยปัจฉาชาตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยนาอารามานปัจจัยในมือเล็บย่อปัจจัยที่เป็นมูลนานิติยาปัจจัยนาอุปนิติยาปัจจัยและนาปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระการมปัจจัยกับละมีสองวาระ อาหารปัจจัยกับพละมีหนึ่งวาระอินทรีย์ปัจจัยกับพละมีหนึ่งวาระวิปยุตตปัจจัยกับพละมีหนึ่งวาระอธิปัจจัยกับพละมีห้าวาระอวิคตปัจจัยกับพละมีห้าวาระทวาทัศกนัยกรรมปัจจัยกับในเหตุปัจจัยนรอารามนาปัจจัยในมุงเล็บปัจจัยในมุงเล็บ ย่อปัจจัยที่เป็นมูลณนะอุปนิสตยปัจจัยณนะปุเรชาตปัจจัยแลนะณปัจฉาชาตปัจจัยมีสองวาระอาหารปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอินทรียะปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอธิปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอวิชตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระละ โสระสกนัยในมุงเล็บสาหะระอินตรียปัจจัยกับนิเหตุปัจจัยนอารามณปัจจัยในมุงเล็บย่อปัจจัยที่เป็นมูลนัจฉาธารปัจจัยนอาเสวนปัจจัยนกรรมมปัจจัยนวิปากปัจจัยและนอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระอธิปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอวิกตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระละ ภาวีสกนัยในมุลเลปสหาระอินทริยปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยนาอารามณปัจจัยในมุลเลปย่อปัจจัยที่เป็นมูลนาอาหารปัจจัยนาชาณปัจจัยนามัคคปัจจัยนาสัมปยุตตปัจจัยนาวิปยุตตปัจจัยโนนัตถิปัจจัยและโนวิคตาปัจจัยมีหนาาึ ida, aya, ana, ay, voyage, aya, okay ่งวาระอธิปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอวิคตาปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระ โสรสกนัยในมุงเล็บสินทริยาอาหารปัจจัยกับนเหตุปัจจัยณนะอารามณปัจจัยในมุงเล็บย่อปัจจัยที่เป็นมูลนวิปปากับปัจจัยและณนะอินทริยาปัจจัยมีหนึ่งวาระอธิปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอวิกตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระละพาวีสกนัยในมุงเล็บสินทริยะ อาหารรปัจจัยกับนเหตุตุปัจจัยนะอารามนะปัจจัยในมือเล็บย่อปัจจัยที่เป็นมูลนาอินทรียปัจจัยนะชาณปัจจัยนะมัคคปัจจัยนะสัมปยุตตปัจจัยนะวิปยุตตปัจจัยโนนะทิปัจจัยและโนวิคตปัจจัยมีหนึ่งวาระอธิปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาเหตุตุมูลกนัยจบ นาอารามานทุกขไนหร้อยสาสองเหตุปัจจัยกับนาอารามานปัจจัยมีเจดวาระอธิปฏิปัจจัยกับนาอารามานปัจจัยมีเจดวาระอนันตระปัจจัยกับนาอารามานปัจจัยมีเจดวาระสมนันตรปัจจัยกับนาอารามานปัจจัยมีเจดวาระสหชาตปัจจัยกับนาอารามานปัจจัยมีเก้าวาระ อัญญามัญญาปัจจัยกับณัอรามัญญาปัจจัยมีสามวาระนิสียปัจจัยกับนัอรามัญญาปัจจัยมีสิบสามวาระอุปนิสียปัจจัยกับนัอรามัญญาปัจจัยมีเก้าวาระอุเรชาตาปัจจัยกับนัอรามัญญาปัจจัยมีสามวาระปัจฉาชาตาปัจจัยกับนัอรามัญญาปัจจัยมีสามวาระอาเสวนปัจจัยกับนัอรามัญญาปัจจัยมีสามวาระ กรรมปัจจัยกับน้าอารามะนปัจจัยมีเจดวาระวิปากปัจจัยกับน้อารามะนปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยกับน้อารามะนปัจจัยมีเจ็ดวาระอินทรียะปัจจัยกับน้อารามะนปัจจัยมีเจดวาระชานะปัจจัยกับน้อารามะนปัจจัยมีเจ็ดวาระมัคคปัจจัยกับน้อารามะนปัจจัยมีเจดวาระ สามปัุตปัจจัยกับณอารามณปัจจัยมีสวาระวิปปัจจุตปัจจัยกับนอารามณปัจจัยมี5วาระอธิปัจจัยกับนอารามณปัจจัยมี13วาระนาิปัจจัยกับนอารามณปัจจัยมีเจดวาระวิกตปัจจัยกับนอารามณปัจจัยมีเจวาระอวิกตปัจจัยกับนอารามณปัจจัยมี13วาระละ อัตตะไนนิตยปัจจัยกับนาอารามณปัจจัยนาเหตุปัจจัยนาอธิปติปัจจัยนาอนันตรปัจจัยนาสมานันตรปัจจัยนาสหชาตปัจจัยและนาอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระอุปนิทยปัจจัยกับละมีก้าวาระปุเรชาตปัจจัยกับละมีสามวาระ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 นอารามณมูลกนัยจบนาทิปฏิทุ ก, กนัยหกร้อยสาสเหตุปัจจัยกับนาทิปฏิปัจจัยมีเจ็ดวาระอารามณปัจจัยกับนาธิปฏิปัจจัยมี9้าวาระในมือเล็บพึงขยายพิสดารเหมือนนเหตุมูลกนัยนาะทิปฏิมูลกนัยจบ นาอนาันตรัพและนาสมานันตราชุกนไนัยส34เหตุปัจจัยกับนาอนันตรปัจจัยละสมนันนาสมานันตรปัจจัยมีเจ็ดวาระอารมามณปัจจัยกับละมีเก้าวาระอธิปติปัจจัยกับละมีสิบวาระสหาชาตปัจจัยกับละมีเก้าวาระอัญญมัญญปัจจัยกับละมีสามวาระ นิสัยปัจจัยกัปละมี13ามวาระอุปนิสัยปัจจัยกัปละมีเก้าวาระปุเรชาตปัจจัยกัปละมีสามวาระปัจฉาชาตปัจจัยกัปละมีสาวาระกามปัจจัยกัปละมีเจ็ดวาระวิปากปัจจัยกัปละมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยกัปละมีเจ็ดวาระอินทรียปัจจัยกัปละมีเจ็ดวาระ ชาณปัจจัยกับระมีเจ็ดวาระมัคคัปปะจัยกับระมีเจ็ดวาระสัมปยุตตปัจจัยกับระมีสามวาระวิปยุตตปัจจัยกับระมีห้าวาระอธิปัจจัยกับระมีสิบสามวาระอวิกตปัจจัยกับระมีสิบสามวาระละอัตกนัยนิตยาปัจจัย นาสัมันตระปัจจัยนาเหตุปัจจัยนาอารามณปัจจัยนาอธิปติปัจจัยนาอนันตรปัจจัยนาสหชาตปัจจัยและนอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระอุปนิจญาปัจจัยกับละมีก้าวาระปุเรชาตปัจจัยกับละมีสามวาระปัจฉาชาตปัจจัยกับละมีสามวาระอาเสวะนปัจจัยกับละมีสามวาระ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 หกรอารามณปัจจัยกับนสหชาตปัจจัยมี9้าวาระอธิปติปัจจัยกับนสหชาตปัจจัยมีเจดวาระอนันตรัปัจจัยกับนสหชาตปัจจัยมีเจดวาระสมนันตรปัจจัยกับนสหชาตปัจจัยมีเจดวาระนิตยยปัจจัยกับนสหชาตปัจจัยมีสามวาระ อุปนิสติยปัจจัยกับนาสหชาตปัจจัยมี9้าวาระปุเรชาตปัจจัยกับนสหชาตปัจจัยมีสาวาระปัจฉาชาตปัจจัยกับนาสหชาตปัจจัยมีสามวาระอาเสวนปัจจัยกับนสหชาตปัจจัยมีสาวาระกรรมปัจจัยกับนาสหชาตปัจจัยมีสองวาระอาหารปัจจัยกับนาสหชาตปัจจัยมีหนึ่งวาระ อินเตริยปัจจัยกับนาฏชาตปัจจัยมีหนึ่งวาระวิปยุตตาปัจจัยกับนาฏชาตปัจจัยมีหวาระอธิปัจจัยกับนสฏชาตปัจจัยมีเจดวาระนาถิปัจจัยกับนาฏชาตปัจจัยมีเจดวาระวิกตปัจจัยกับนาฏชาตปัจจัยมีเจดวาระอวิกตปัจจัยกับนาฏชาตปัจจัยมีเจดวาระละปัญจกไน อนันตรปัจจัยกับสหชาตปัจจัยนาเหตุปัจจัยนาอารามนาปัจจัยและนาอธิปติปัจจัยมีเจดวาระสมาันตระปัจจัยกับละมีเจดวาระนิสียปัจจัยกับละมีสมวาระอุปนิสียปัจจัยกับละมีเก้าวาระปุเรชาตปัจจัยกับละมีสามวาระ ปัจฉาชาตปัจจัยกับละมีสามวาระอาเสวนปัจจัยกับละมีสามวาระกรรมปัจจัยกับละมีสองวาระอาหารปัจจัยกับละมีหน <mot ors> ึ <completing> ่งวาระอินตรียปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระวิปยุตตาปัจจัยกับละมีห้าวาระอธิปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระนาิปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระ วิกตาปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระอวิคตาปัจจัยกับละมีเจดวาระละนวกนัยอุปนิสติยปัจจัยกับสหะชะกับนาสหะชาตปัจจัยนเหตุปัจจัยนอารามนาปัจจัยนอธิปฏิปัจจัยนอนันตรปัจจัยนสมาันตรัปัจจัย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 อธิปัจัยกับละมีห้าวาระอวิกตปัจจัยกับละมีห้าวาร ะ, าาจจ ะ, าาระในมืเเอเล็บย่อนสหชาตะมูลกนในจบนอัญญามัญญาทุกกนันในหอยสามเหตุปัจจัยกับนอัญญามัญญาปัจจัยมีสามาระอารามณปัจจัยกับนอัญญามัญญาปัจจัยมี9ก้าวาระ อธิปต well, ิปัจัยกับนะอัญญมัญญะปัจจัยมีแปดวาระอนันตรปัจจัยกับนะอัญญมัญญปัจจัยมีเจดวาระสมาันตรปัจจัยกับนะอัญญมัญญปัจจัยมีเจดวาระสาชาตปัจจัยกับนะอัญญมัญญปัจจัยมีห้าวาระนิสียปัจจัยกับนะอัญญมัญญปัจจัยมีเจดวาระอุปนิสียปัจจัยกับนะอัญญมัญญปัจจัยมีเก้าวาระ ปุเรชาตปัจจัยกับนะอัญญามัญญปัจจัยมีสามวาระปัจฉาชาตปัจจัยกับนะอัญญมัญญะปัจจัยมีสามวาระอาเสวนปัจจัยกับนะอัญญมัญญะปัจจัยมีสามวาระกรรมปัจจัยกับนะอัญญามัญญะปัจจัยมีสาวาระวิปากปัจจัยกับนะอัญญามัญญปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยกับนะอัญญามัญญะปัจจัยมีสาวาระ อินทรียะปัจจัยกับนะอัญญมัญญะปัจจัยมีสามวาระชานะปัจจัยกับนะอัญญามัญญะปัจจัยมีสามวาระมรรคปัจจัยกับนะอัญญามัญญะปัจจัยมีสามวาระวิปยุตตาปัจจัยกับนะอัญญามัญญะปัจจัยมีห้าวาระอธิปัจจัยกับนะอัญญามัญญะปัจจัยมีเจดวาระนาถิปัจจัยกับนะอัญญามัญญะปัจจัยมีเจดวาระ วิกตปัจจัยกับนะอัญญมัญญาปัจจัยมีเจ็ดวาระอวิกตปัจจัยกับณอัญญมัญญาปัจจัยมีเจ็ดวาระละจตุกนัยอธิปฏิปัจจัยกับณอัญญมัญญาปัจจัยณเหตุปัจจัยและณอารามณปัจจัยมีสาวาระอนันตรปัจจัยกับละมีเจดวาระสมานันตรปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระ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 วิปปะกัปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยกับละมีสามวาระอินทรียปัจจัยกับละมีสามวาระชานปัจจัยกับละมีสามวาระมัคคปัจจัยกับละมีสามวาระวิปยุตตาปัจจัยกับละมีห้าวาระอธิปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระนัตถิปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระ วิกตปจจัยกับละมีเจ็ดวาระอวิกตปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระละอัทธกนัยนิตยปัจจัยกับณอัญญมัญญปัจจัยณเหตุปัจจัยณอารามณปัจจัยณอธิปติปัจจัยนะนานตรปัจจัยณสมานานตระปัจจัยและณสหชาตปัจจัยมีสามวาระ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 อวิกตปัจจัยกับรามีเจ็ดวาระในวงเล็บย่อณอัญญามัญญามูลกนันนายจบนานิสัยทุกข์กันายห37อารามานาปัจจัยกับณ น, นิสัยปัจจัยมี9้าวาระอธิปฏิปัจจัยกับณ น, นิสัยปัจจัยมีเจ็ดวาระ อนันตรปัจจัยกับนิทนนิสยปัจจัยมีเจดวาระสมาันตรปัจจัยกับนิสัยปัจจัยมีเจดวาระอุปนิสัยปัจจัยกับนิสัยปัจจัยมี9วาระอุเรชาตปัจจัยกับนิสัยปัจจัยมีสามวาระปัจฉาชาตปัจจัยกับนิสัยปัจจัยมีสามวาระอาเสวนปัจจัยกับนิสัยปัจจัยมีสามวาระ กรมปัจจัยกับนันทิยะปัจจัยมีสองวาระอาหารปัจจัยกับนันทิยปัจจัยมีหนึ่งวาระอินตริยปัจจัยกับนันทิยปัจจัยมีหนึ่งวาระวิปยุติยปัจจัยกับนันทิยปัจจัยมีสวาระอธิปัจจัยกับนันทิยปัจจัยมีเจดวาระนาฏิปัจจัยกับนันทิยปัจจัยมีเจวาระวิกาตปัจจัยกับนันทิยปัจจัยมีเจดวาระ อวิคตปัจจัยกับนนิตยปัจจัยมีเจ็ดวาระละปัญจกนัยอนันตรปัจจัยกับนนิตยปัจจัยนะเหตุปัจจัยนะอารามนะปัจจัยและนะอธิปติปัจจัยมีเจดวาระสมาันตรปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระอุปนิสตยปัจจัยกับละมีเก้าวาระปัจฉาจารตะปัจจัยกับละมีสามวาระ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 กรมปัจจัยกับละมีสองวาระอาหารปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอินทริยปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระวิปยุตปัจจัยกับละมีสมวาระอธิปัจจัยกับละมีห้าวาระอวิคตปัจจัยกับละมีหวาระในวงเล็บย่อนานิตยมูลกัยนจบ Buddha, Torah, นาอุปนิจญาทุกขนัยสามเหตุปัจจัยกับนาอุปนิจตยปัจจัยมีเจดวาระอารามณปัจจัยกับนาอุปนิจตยปัจจัยมี9้าวาระอธิปติปัจจัยกับนาอุปนิจตยปัจจัยมีเจดวาระสหชารปัจจัยกับนาอุปนิจญาปัจจัยมี9วาระอัญญมัญญาปัจจัยกับนาอุปนิจตยปัจจัยมีสามวาระ นิตยปัจัยกับน้อุปนิทยปัจจัยมีสิบสามวาระปุเรชาตปัจจัยกับน้อุปนิตยปัจจัยมีสามวาระปัจฉาชาตปัจจัยกับน้อุปนิตยปัจจัยมีสามวาระกรรมปัจจัยกับน้าอุปนิทยปัจจัยมีเจ็ดวาระวิปากปัจจัยกับน้อุปนิตยปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยกับน้าอุปนิทยปาจัยมีเจ็ดวาระ อินทรียปัจจัยกับน้าอุปนิสิยปัจจัยมีเจดวาระชานะปัจจัยกับน้าอุปนิสิยปัจจัยมีเจดวาระมรรคปัจจัยกับน้าอุปนิสิยปัจจัยมีเจดวาระสัมปยุตตปัจจัยกับน้าอุปนิสิยปัจจัยมีสวาระวิปยุตตาปัจจัยกับน้าอุปนิสิยปัจจัยมีห้าวาระอธิปัจจัยกับน้าอุปนิสิยปัจจัยมี13าวาระ อวิคตปัจจัยกับนอุปนิสติยปัจจัยมีสิบสามวาระละอัตถกนัยนิตยปัจจัยกับนาอุปนิสติยปัจจัยในเหตุปัจจัยนาอารามนาปัจจัยนาอธิปติปัจจัยนาอนันตรปัจจัยนาสมนันตรัปัจจัยและนาสหชาตปัจจัยมีสามวาระบเรชาตปัจจัยกับละมีสามวาระ ปัจฉาชาแต่ปัจจัยกับละมีสาวาระกรรมปัจจัยกับละมีสองวาระอาหารปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอินทรีย์ปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระวิปยุติปัจจัยกับละมีห้าวาระอธิปัจจัยกับละมีเจดวาระอวิกตปัจจัยกับละมีเจดวาระในวงเล็บย่อณอุปนิสสยมูลกนัย นับป <sei> hey. ุเรชาตทุกข์ในหกร้อยสเกตุปัจจัยกับนับปุเรชาตปัจจัยมีเจ็วาระอารมณปัจจัยกับนับปุเรชาตปัจจัยมี9วาระอธิปติปัจจัยกับนับปุเรชาตปัจจัยมีสิบวาระอนันตรปัจจัยกับนับปุเรชาตปัจจัยมีเจ็ดวาระ สมานันตรัปัจจัยกับนักปุเรชาตปัจจัยมีเจดวาระสหชาตปัจจัยกับนักปุเรชาตปัจจัยมี9้าวาระอัญญมัญญปัจจัยกับนักปุเรชาตปัจจัยมีสมวาระนิสียปัจจัยกับนักปุเรชาตปัจจัยมี9้าวาระอุปนิสียปัจจัยกับนักปุเรชาตปัจจัยมี9้าวาระปัจฉาชาติปัจจัยกับนักปุเรชาตปัจจัยมีสมวาระ อาเสวนปัจจัยกับนักปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระกรมมปัจจัยกับนักปุเรชาตปัจจัยมีเจ็ดวาระวิปากปัจจัยกับนักปุเรชาตปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยกับนักปุเรชาตปัจจัยมีเจ็ดวาระอินเตริยะปัจจัยกับนักปุเรชาตปัจจัยมีเจ็ดวาระชานปัจจัยกับนักปุเรชาตปัจจัยมีเจ็ดวาระ มัคปัจจัยกับนักปุเรชาตปัจจัยมีเจ็ดวาระสัมปยุตตาปัจจัยกับนักปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระวิปยุตตาปัจจัยกับนักปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระอธิปัจจัยกับนักปุเรชาตปัจจัยมีเก้าวาระนัตถิปัจจัยกับนักปุเรชาตปัจจัยมีเจ็ดวาระวิขตปัจจัยกับนักปุเรชาตปัจจัยมีเจ็ดวาระ อวิกระปัจจัยกับนภุเรชาตปัจจัยมีก้าวาระละจตุกนัยอธิปติปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยนเฮตุปัจจัยแลนะอารามณปัจจัยมีเจดวาระอนันตรปัจจัยกับละมีเจดวาระสมานันตรปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระสหชาตปัจจัยกับละมีก้าวาระ อัญญามัญญาปัจจัยกับละมีสามวาระนิสียปัจจัยกับละมีเก้าวาระอุปนิสยปัจจัยกับละมีเก้าวาระปัจฉาชาตปัจจัยกับละมีสามวาระอาเสวะนปัจจัยกับละมีสามวาระกรรมปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระวิปากปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระ อินทรียปัจจัยกับรามีเจ็ดวาระชานปัจจัยกับรามีเจ็ดวาระมัคคปัจจัยกับรามีเจ็ดวาระสัมพยุตตปัจจัยกับรามีสามวาระวิปยุตตาปัจจัยกับรามีสามวาระอธิปัจจัยกับรามีเก้าวาระนาฏปัจจัยกับรามีเจ็ดวาระวิกตปัจจัยกับรามีเจ็ดวาระ อวิคตปัจจัยกับละมีก้าวาระละนวกนัยนิตยปัจจัยกับนภุเรชาตปัจจัยนะเหตุปัจจัยนะอารามนปัจจัยนะอธิปติปัจจัยนะอนันตรปัจจัยนัสมันันตรปัจจัยนัสหชาตปัจจัยและนัอัญญมัญญาปัจจัยมีก้าวาระอุปนิเตยปาจัยกับละมีก้าวาระ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 นปัจชาชาตัทุกขนักร้อยสี่สเหตุปัจจัยกับนปัจชาชาตปัจจัยมีเจดวาระอารามณปัจจัยกับนปัจชาชาตปัจจัยมี9้าวาระอธิปติปัจจัยกับนปัจชาชาตัปัจจัยมีสิบวาระอานันตระปัจจัยกับนปัจชาชาตัปัจจัยมีเจ็ดวาระสมานันตรปัจจัยกับนปัจชาชาตปัจจัยมีเจดวาระ สหชาตปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยมีเก้าวาระอัญญมัญญปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยมีสามวาระนิติญปัจจัยกับนปัจฉาชาติปัจจัยมี13าวาระอุปนิสติญปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยมีเก้าวาระอุเรชาตปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยมีสามวาระอาเสวนปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยมีสามวาระ กรรมปัจจัยกับนปัจฉาชาระปัจจัยมีเจดวาระวิปากปัจจัยกับนปัจฉาชารปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยกับนปัจฉาชาระปัจจัยมีเจดวาระอินตริยปัจจัยกับนปัจฉาชาระปัจจัยมีเจดวาระชาณปัจจัยกับนปัจฉาชาระปัจจัยมีเจ็ดวาระมรคปัจจัยกับนปัจฉาชาระปัจจัยมีเจดวาระ สัมปยุดตาปัดใจกับนปัดชาชาตปัจจัยมีสวาระวิปปยุดตาปัจจัยกับนปัดชาชาตปัจจัยมีหวาระอธิปัจจัยกับนปัดชาชาตาปัจจัยมี13วาระนัตถิปัจจัยกับนปัชฉาชาตาปัจจัยมีเจวาระวิกตปัจจัยกับนปัชฉาชาตปัจจัยมีเจวาระอวิกตปัจจัยกับนปัชฉาชาตาปัจจัยมี13วาระละ นวกนัยนิตยยปัจจัยกับละปัจฉาชาตาปัจจใจนะเหตุปัจใจนะอารามนะปัจใจนะอธิปติปัจใจนะอนันตรปัจใจนะสมาันตระปัจจัยนะสหชาตาปัจจัยและนะอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระอุปนิทยยปัจจัยกับละมีเก้าวาระอุเรชาตปัจจัยกับละมีสามวาระกรรมปัจจัยกับละมีสองวาระ อ, อาหารปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอินตริยปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระวิปยุตตาปัจจัยกับละมีสามวาระอธิปัจจัยกับละมีสามวาระอวิกตปัจจัยกับละมีสามวาระทัศกนัยอุปนิสัยปัจจัยกับนปัจชชาตปัจจัยนเหตุปัจจัยนอารามนาปัจจัยนอธิปฏิปัจจัย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 นปัจชชาตะมูลกนัยจบนอาเสวนาทุกกนัย641เหตุปัจจัยกับนอาเสวนาปัจจัยมีเจวาระอารามนาปัจจัยกับนอาเสวนาปัจจัยมี9วาระอธิปฏิปัจจัยกับนอาเสวนาปัจจัยมีสิบวาระอนันตระปัจจัยกับนอาเสวนาปัจจัยมีหวาระ สมนันตระปัจจัยกับนะอาเสวนปัจจัยมีห้าวาระสหชาตปัจจัยกับนะอาเสวนปัจจัยมี9้าวาระอัญญมัญญปัจจัยกับนะอาเสวนปัจจัยมีสมวาระนิสียปัจจัยกับนะอาเสวนปัจจัยมี13วาระอุปนิสียปัจจัยกับนะอาเสวนปัจจัยมี9้าวาระปุเรชาตปัจจัยกับนะอาเสวนปัจจัยมีสามวาระ ปัจฉาชาต่ปัจจัยก็นะอาเสวนปัจจัยมีสาวาระกรรมปัจจัยก็นะอาเสวนปัจจัยมีเจดวาระวิปากปัจจัยก็นะอาเสวนปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยก็นะอาเสวนปัจจัยมีเจดวาระอินทรียปัจจัยก็นะอาเสวนปัจจัยมีเจดวาระชานะปัจจัยก็นะอาเสวนปัจจัยมีเจดวาระ มัคคปัจจัยกับน้อาเสวะนปัจจัยมีเจดวาระสัมปยุตตะปัจจัยกับน้อาเสวะนปัจจัยมีสามวาระวิปยุตตะปัจจัยกับน้อาเสวะนปัจจัยมีห้าวาระอธิปัจจัยกับน้อาเสวะนปัจจัยมี13วาระนาิปัจจัยกับน้อาเสวะนปัจจัยมีห้าวาระวิกตปัจจัยกับน้อาเสวะนปัจจัยมีห้าวาระ อวิคัตปัจจัยกับนอาเสวะนปัจจัยมีสิบสามวาระละนวกนัยนิติยปัจจัยกับน้าอาเสวะนปัจจัยนเหตุปัจจัยนอารามนปัจจัยนอธิปติปัจจัยนอนันตรปัจจัยนาสมมันตระปัจจัยน้าสหชาตปัจจัยและนอัญญามัญญปัจจัยมีสามวาระอุปนิสติยปัจจัยกับปละมีเก้าวาระ ปุเรชาตปัจจัยกัปละมีสามวาระปัจฉาชาตปัจจัยกัปละมีสาวาระกัมมปัจจัยกัปละมีสองวาระอาหารปัจจัยกัปละมีหนึ่งวาระอินตริยะปัจจัยกัปละมีหนึ่งวาระวิปยุตปัจจัยกัปละมีห้าวาระอธิปัจจัยกัปละมีเจดวาระอวิกตปัจจัยกัปละมีเจดวาระในวงเล็บย่อ นอาเสวนมูลกนายจบนกรมมะทุกกาไนหย642เหตุปัจจัยกับนกรรมมะปัจจัยมีเจดวาระอารามณปัจจัยกับนกรรมมะปัจจัยมี9้าวาระอธิปติปัจจัยกับนกรรมมะปัจจัยมีสิบวาระอนันตระปัจจัยกับนกรรมมะปัจจัยมีเจดวาระสมานันตระปัจจัยกับนกรมมะปัจจัยมีเจดวาระ สหชาตปัจจัยกับนักกรมปัจจัยมีเก้าวาระอัญญมัญญปัจจัยกับนักกรมปัจจัยมีสาวาระนิตยปัจจัยกับนักกรมปัจจัยมีสิบสาวาระอุปนิตยปัจจัยกับนักกรมปัจจัยมีเก้าวาระปุเรชาตปัจจัยกับนักกรมปัจจัยมีสามวาระปัจฉาชาตปัจจัยกับนักกรมปัจจัยมีสามวาระอเสวนปัจจัยกับนักกรรมะปจัยมีสามวาระ วิปากับปัจจัยกับนักกรมปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยกับนักกรมปัจจัยมีเจดวาระอินตรียะปัจจัยกับนักกรมปัจจัยมีเจดวาระชาณปัจจัยกับนักกรมปัจจัยมีเจดวาระมัคคปัจจัยกับนักกรมปัจจัยมีเจดวาระสัมปยุตตปัจจัยกับนักกรมปัจจัยมีสมวาระวิปยุตตะปัจจัยกับนักกรมปัจจัยมีหวาระ อธิปัจจัยกับนักกรรมปัจจัยมีสิบสาวาระนติปัจจัยกับนักกรรมปัจจัยมีเจดวาระวิกตตปัจจัยกับนักกรมปัจจัยมีเจดวาระอวิกตตปัจจัยกับนักกรมปัจจัยมีสิบสาวาระละนวกนัยนิตยาปัจจัยกับนักกรรมปัจจัยนเหตุปัจจัยนารามณปัจจัยนัอธิปฏิปัจจัยนันตรปัจจัยนัสมันตรปัจจัย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 อธิปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระอวิคตตปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระในวงเล็บยอ่อนกกรรมะมูลกั น, นัยจบ6กร้อสาเหตุปัจจัยกับนวิปากับปัจจัยมีเจ็ดวาระละอวิคตตปัจจัยกับนวิปากับปัจจัยมีสิบสาวาระ ในวัลพ์พึงขยายให้พิสดารเหมือนนเหตุมูละกะนยัยนะวิปากะมูละกะนยัยจบนาะอาหารรัตุ ก, กัในัยส4่เหตุปัจจัยกับนาอาหารปัจจัยมีเจ็ดวาระอารามานปัจจัยกับนาอาหารปัจจัยมีเก้าวาระอธิปติปัจจัยกับนาอาหารปัจจัยมีสิบวาระ อนันตรปัจจัยกับนอาหารปัจจัยมีเจดวาระสมานันตรปัจจัยกับนอาหารปัจจัยมีเจวาระสาชาตปัจจัยกับนอาหารปัจจัยมีเก้าวาระอัญญมัญญปัจจัยกับนอาหารปัจจัยมีสมวาระนิสียปัจจัยกับนอาหารปัจจัยมี13วาระอุปนิสียปัจจัยกับนอาหารปัจจัยมีเก้าวาระ อุเรชาตปัจจัยกับน้อาหารปัจจัยมีสวาระปัจฉาชาตปัจจัยกับน้อาหารปัจจัยมีสวาระอาเสวะนปัจจัยกับน้อาหารปัจจัยมีสวาระกามปัจจัยกับน้อาหารปัจจัยมีสองวาระวิปากปัจจัยกับน้อาหารปัจจัยมี1วาระอินทรียปัจจัยกับน้อาหารปัจจัยมีเจวาระ ชานะปัจจัยกับน้อาหารปัจจัยมีเจดวาระมรคปัจจัยกับน้อาหารปัจจัยมีเจดวาระสันปยุตตะปัจจัยกับน้อาหารปัจจัยมีสมวาระวิปปยุตตะปัจจัยกับน้อาหารปัจจัยมีห้าวาระอธิปัจจัยกับน้อาหารปัจจัยมี13วาระนาิปัจจัยกับน้อาหารปัจจัยมีเจดวาระ วิกตปัจจัยกับน้อาหารปัจจัยมีเจ็ดวาระอวิกตปัจจัยกับน้อาหารปัจจัยมีสิบาวาระละจตุกัยอธิปฏิปัจจัยกับน้อาหารปัจจัยนะเหตุปัจจัยและน้อารามานปัจจัยมีเจ็ดวาระอนันตรปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระสมาันตระปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระ สหชาตปัจจัยกัปละมีก้าวาระอัญญมัญญปัจจัยกัปละมีสามวาระนิตยปัจจัยกัปละมีสิสาวาระอุปนิทยปัจจัยกัปละมีก้าวาระภูเรชาตปัจจัยกัปละมีสามวาระปัจฉาชาตปัจจัยกัปละมีสามวาระอาเสวนปัจจัยกัปละมีสามวาระกรรมปัจจัยกัปละมีสองวาระ วิปาก ra, ัปัจจัยกับระมีหนึ่งวาระอินทรียปัจจัยกับระมีเจ็ดวาระชานปัจจัยกับรามีเจ็ดวาระมรรคปัจจัยกับระมีเจ็ดวาระสัมปยุตตะปัจจัยกับระมีสามวาระวิปยุตตะปัจจัยกับรามีห้าวาระอธิปัจจัยกับระมีสิบสาวาระนาิปัจจัยกับระมีเจ็ดวาระวิกาตปัจจัยกับระมีเจ็ดวาระ อวิคตปัจจัยกับละมีสิบสามวาระละพาวีสกนัยอินทรียปัจจัยกับนอาหารปัจจัยนะเหตุปัจจัยนะอารามณปัจจัยนะอธิปฏิปัจจัยนะอนันตรปัจจัยนสมานันตรปัจจัยละ นกกรรมมาปั จ, จัยนัวิปากราปจัยนักชาณปัจจัยนัจจยนะมัคคปัจใจนะักสัมปยุตตปัจใจนะักวิปยุตตปัจใจโนนัตถิปัจจั ย, จจยและโนวิขตะปัจจัยมีหนึ่งวาระอธิปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอวิขตะปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระในมุงเล็บย่อนะอาหาระมูละกไนจบ นาอินทริยทุกกไนักรอยสี่หเหตุปัจจัยกับนาอินทรียปัจจัยมีเจดวาระอารามณปัจจัยกับนาอินทรียะปัจจัยมี9วาระละอวิคตาปัจจัยกับนาอินทริยปัจจัยมีสิบสาวาระละในวงเล็บกรรมปัจจัยกับนาอินทรียะปัจจัยมีเจดวาระภาวีสกนัย อาหารปัจจัยกับนะอินตรียปัจจัยนะเหตุปัจจัยนะอารามณปัจจัยในมึงเล็บย่อปัจจัยที่เป็นมูลนะวิปากับปัจจัยนะชาณปัจจัยนะมัคคปัจจัยนะสัมปยุตตปัจจัยนะวิปยุตตาปัจจัยโนนะทิปัจจัยและโนวิกตปัจจัยมีหนึ่งวาระอธิปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอวิกตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระในมึงเล็บย่อเหมือน นาเหตุมูลกนไงนาอินทรียมูลกันไงจบนาชานทุกนไนหยสี่เหตุปัจจัยกับนาชานปัจจัยมีเจวาระอารามนาปัจจัยกับนาชานปัจจัยมี9้าวาระละอวิคตปัจจัยกับนาชานปัจจัยมี13าวาระในวงเล็บพึงขยาย นาชานะมูลกนัยให้พิจารณาเหมือนนาเหตุมูลกนัยนาชานะมูลกนัยจบนามัคคทุกกนัยหกร้อยสเจเหตุปัจจัยกับนามัคคปัจจัยมีเจ็ดวาระละอวิคตาปัจจัยกับนามัคคปัจจัยมีสิบสาวาระในวงเล็บพึงขยายให้พิจารณาเหมือนนาเหตุมูลกนัย นามค้มูลก ONEY, นะ 48, นัยจบนาสัมปยุตต <RR> ์ตุกกนัย648้เหตุป <Bod hi ös> ัจจัยกับนาสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระอารามานปัจจัยกับนาสัมปยุตตปัจจัยมี9วาระอธิปติปัจจัยกับนาสัมปยุตตปัจจัยมีแปดวาระอนันตระปัจจัยกับนาสัมปยุตตปัจจัยมีเจวาระสมานันตระปัจจัยกับนาสัมปยุตตปัจจัยมีเจดวาระ สหชาตปัจจัยกณบสัมปยุตตปัจจัยมี5วาระอัญญมัญญะปัจจัยกณบสัมปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระนิสียปัจจัยกณบสัมปยุตตปัจจัยมีเจวาระอุปนิสียปัจจัยกณบสัมปยุตตปัจจัยมี9วาระบุเรชาตปัจจัยกณบสัมปยุตตปัจจัยมีสวาระปัจฉาชาติปัจจัยกณบสัมปยุตตปัจจัยมีสวาระ อาเสวนปัจจัยกับนสัมปยุตตปัจจัยมีสาวาระกรรมมปัจจัยกับนสัมปยุตตปัจจัยมีสวาระวิปากปัจจัยกับนสัมปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยกับนสัมปยุตตปัจจัยมีสาวาระอินตรียปัจจัยกับนสัมปยุตตปัจจัยมีสวาระชาณปัจจัยกับนสัมปยุตตปัจจัยมีสวาระมัคคปัจจัยกับนสัมปยุตตปัจจัยมีสวาระ วิบย anyway, ุติตรปฏิจัยกับนัสัมไปยุต LIKE ิตป <och> ัจจัยมีห้าวาระอธิปฏิจัยกับนัสัมไปยุติตปัิจัยมีเจดวาระนาฏิปัจจัยกับนัสสัมไปยุติตปัจจัยมีเจดวาระวิกตปัจจัยกับนัสสัมไปยุติตปัจจัยมีเจดวาระอวิกตปัิจัยกับนัสสัมไปยุติตปัจจัยมีเจดวาระละจะตุกัย อธิปจจธติปัจจัยกับนัสสัมปยุตตาปัจใจะนะ ay, ัเหตุปัจจัยและณอารามานปัจจัยมีสามวาระอนันตรปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระสมานันตรปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระสหชาตปัจจัยกับละมีห้าวาระอัญญมัญญปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนิตยาปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระ อุปนิสติยปัจจัยกับละมีกาวาระอุเรชาตปัจจัยกับละมี๓วาระปัจฉาชาตปัจจัยกับละมี๓วาระอาเสวะนปัจจัยกับละมี๓วาระกรรมปัจจัยกับละมี๓วาระวิปากปัจจัยกับละมี๑วาระอาหารปัจจัยกับละมี๓วาระ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 นวัตกรณีนิตยปัจจัยกับนสัมปยุตตปัจจัยนัเหตุปัจจัยนัอารามานปัจจัยนัอธิปฏิปัจจัยนัอนันตรปัจจัยนัสมานันตรปัจจัยนัสหชาตปัจจัยและนัอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระอุปนิตยปัจจัยกับละมีสาวาระปุเรชาตปัจจัยกับละมีสามวาระปัจฉาชาตปัจจัยกับละมีสามวาระ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 กับนาสัมปยุตตปัจจัยนาเหตุตุปปัจใจลงเล็บย่อปัจจัยที่เป็นมูลนาสหชาตาปัจจัยนอัญญมัญญปัจจัยและนนิตย์ยัปปัจใจมีก้าวาระปัจฉาชาตปัจจัยกับละมีสามวาระกัมมปัจจัยกับละมีสองวาระอาหารปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอินตริยปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระวิปยุตตาปัจจัยกับละมีสามวาระ อธิปัจัยกับละมีห้าวาระอวิกระาปัจจัยกับละมีห้าวาระละทวาทัศกนัยปัจฉาชาตปัจจัยกับนสัมมยุตตปัจจัยในเหตุปัจจัยในมุเลบย่อปัจจัยที่เป็นมูลนันติยัปปัจจัยนะอุปนิสติยปัจจัยและนะปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระ กรรมปัจจัยกับละมีสองวาระอาหารปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอินตริยะปัจจัยกับละมีหนึ่งวาร ะ, ราจจ ะ, ว, าระวิปยุตตาปัจจัยกับละมีสามวาระอติปัจจัยกับละมีห้าวาระอวิกตปัจจัยกับละมีห้าวานะระในวงเล็บย่อนาสัมปยุตตมูลกนัยจบ นวิปยุตตทุกขนัย64่สิบเหตุปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระอารมณปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมี9วาระอธิปติปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีเจดวาระอนันตรปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีเจดวาระสมาันตรปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีเจดวาระสหชาลปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระ อัญญามัญาปัจจัยกับนวิปปยุตตปัจจัยมีสามวาระนิตญยปัจจัยกับนวิปปยุตตปัจจัยมีสามวาระอุปนิตญยปัจจัยกับนวิปปยุตตปัจจัยมี9วาระปุเรชาตปัจจัยนวิกับนวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระอาเสวนปัจจัยกับนวิปปยุตตปัจจัยมีสามวาระกามาปัจจัยกับนวิปปยุตตปัจจัยมีหวาระ วิปากัปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีสวาระอินตริยปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีสวาระชานะปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีสวาระมัคคะปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีสวาระสัมปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีสาวาระอธิปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีหวาระ นติปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมี7วาระวิขตปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมี7วาระอวิขตปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมี5วาระละจตุกนัยอธิปฏิปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยนะเหตุปัจจัยและนะอารามนาปัจจัยมีสาวาระ อนันตรปัจจัยกัปละมีเจ็ดวาระสมนันตระปัจจัยกัปละมีเจ็ดวาระสะหาชาตปัจจัยกัปละมีสามวาระอัญญมัญญปัจจัยกัปละมีสามวาระนิสยปัจจัยกัปละมีสามวาระอุปนิสัยปัจจัยกัปละมีเก้าวาระอาเสวนปัจจัยกัปละมีสามวาระกรรมปัจจัยกัปละมีห้าวาระ วิปากปัจจัยกับลามีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยกับละมีสามวาระอินตรียะปัจจัยกับละมีสามวาระชานปัจจัยกับลามีสามวาระมัคคปัจจัยกับละมีสามวาระสัมพยุตตปัจจัยกับละมีสามวาระอธิปัจจัยกับลามีสามวาระนัตถิปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระวิกตปัจจัยกับลามีเจ็ดวาระ นวิคตปัจจัยกับละมีสามวาระละสัตตะไนยสหชาตปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยนะเหตุปัจจัยนะอารามานปัจจัยนะอธิปติปัจจัยนะอนันตรปัจจัยและนัสนันตรปัจจัยมีสามวาระอัญญมัญญปัจจัยกับละมีสาวาระนิตยาปัจจัยกับละมีสาวาระ อุปนิเตียปัจจัยกับละมี๙วาระกรรมปัจจัยกับละมี๕วาระวิปากปัจจัยกับละมี๑วาระอาหารปัจจัยกับละมี๓วาระอินตรียปัจจัยกับละมี๓วาระชาณปัจจัยกับละมี๓วาระมัคคปัจจัยกับละมี๓วาระสัมปยุตตปัจจัยกับละมี๓วาระอธิปัจจัยกับละมี๓วาระ อวกตปัจจัยกับลามีสามวาระละนวกนัยอุปนิสตยปัจจัยกันวิปยุตตาปัจจัยนะเหตุปัจจัยนะอารมณปัจจัยนะอธิปติปัจจัยนะอนันตรปัจจัยนะจำนานตรปัจจัยนะสหชาตปัจจัยและนะอัญญมัญญปัจจัยมีก้าวาระกรรมปัจจัยกับลามีสองวาระ อาหารปัจจัยก네ับลามีหนึ่งวาระอินทรีย <Lob> ปัจ <aj> จัยก <sprayed>, ับลามีหนึ่งวาระอธิปัจจัยกับลามีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยกับลามีหนึ่งวาระละเอกาทัศกนัยกามปัจจัยกับนวิปยุตปัจจัยนาเหตุปัจจัยนาอารามณปัจจัยนาอธิปฏิปัจจัยนาอนันตรปัจจัย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 อาหารปัจจัยกับนวิปยุตตะปัจจัยนะเหตุปัจจัยในะมือเล็บย่อปัจจัยที่เป็นมูลและนกกรรมปัจจัยมีหนึ่งวาระอินทรียปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอธิปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอวิกตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระละสัตตรัศกนัยในะมืงเล็บสาหาระ อินทร ha. ah <S 5. S 1> <A> ีย anyway. an ์ปัจจ ah. ัยกับนวิปยุตตาปัจจัยนะเหตุปัจจัยละนักกรรมปัจจัยนวิปากปัจจัยแลนะอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระอติปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระละพาวีตกนัยอินทรียปัจจัยกับนวิปยุตตาปัจจัยนะเหตุปัจจัยในมึงเล็บย่อปัจจัยที่เป็นมูล นอาหารปัจจ <Workers,. S 2> ัยนะชารัปัจจัยนะมัคคัปปะจัยนะสัมปยุตตปัจจัยโนนะติปัจจัยและโนวิคตปัจจัยมีหนึ่งวาระอธิปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระจัตตะรัสกนัยในมุงเล็บสินทริยะอาหารปัจจัยกับน้วิปยุตตปัจจัยนะเหตุปัจจัยในมงเล็บย่อปัจจัยที่เป็นมูล นวิปปะกับปัจจัยและนาอินตรียปัจจัยมีหนึ่งวาระอธิปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอวิกตะปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระภาวีตกนัยอาหาระปัจจัยกับนวิปยุตตะปัจจัยนาเหตุุปัจจัยนงเล็บย่อปัจจัยที่เป็นมูลนาอินตรียปัจจัยนาชานปัจจัยนามะกะปัจจัยนาสัมปยุตตะปัจจัยโนวิกระตะปัจจัยมีหนึ่งวาระ อธิปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอวิกตปัจจัยกับละมีหนึ a ่งวาระนวิปยุตตามูลกนัยจบโนอัติทุกกนัยหกพหอารามณปัจจัยกับโนอัติปัจจัยมี9้าวาระอธิปฏิปัจจัยกับโนอัติปัจจัยมีเจ็ดวาระอานันตระปัจจัยกับโนอธิปัจจัยมีเจ็ดวาระ สมานันตะปัจจัยกับโนอธิปัจจัยมีเจดวาระอุปนิสัยปัจจัยกับโนอธิปัจจัยมี9้าวาระอาเสวนปัจจัยกับโนอธิปัจจัยมีสามวาระกามปัจจัยกับโนอธิปัจจัยมีสองวาระนัตถิปัจจัยกับโนอธิปัจจัยมีเจดวาระวิกตปัจจัยกับโนอธิปัจจัยมีเจดวาระละจตุกนัย อนันตรปัจจัยกับโนอาติปัจจัยนะเหตุปัจจัยเละนะอารามณปัจจัยมีเจ็ดวาระสมานันตรปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระอุปนิสัยปัจจัยกับละมีเก้าวาระอาเสวนปัจจัยกับละมีสามวาระกรรมปัจจัยกับละมีสองวาระนัตถิปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระวิกตปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระละสัตตกะไย อุปน no uh, ิส <smoked> ต <barely> like e ิยะปัจใจกับนอธิปัจใจนะเหตุปัจใจนะอารามณปัจใจนะอธิปฏิปัจใจนะอนันตรปัจจัยและนัสมนันตระปัจจัยมีเก้าวาระกรมมปัจจัยกับละมีสองวาระละจตุวีสกนัยในวงเล็บสาวุปนิสตยะกรมมปัจจัยกับโนอธิปัจใจนะเหตุปัจัยนะอารามณปัจใจนะอธิปฏิปัจจัย นันนันตรปัจจัยนะสมนันตระปัจจัยนะสหชาตปัจจัยนะอัญญมัญญะปัจจัยนะนิติยปัจจัยนะปนิจิยปัจจัยนะปุเรชาตปัจจัยนะปัจฉาชาตปัจจัยนั่นเสวะนปัจจัยนวิปากปัจจัยนอาหารปัจจัยนอินตียปัจจัยนชาณปัจจัยนมะขะปัจจัยนสัมปยุตตปัจจัยนวิปยุตตปัจจัย โนนัตถ ja no an, no ิปัจจัยโนวิคตปัจจัยและโนอวิคตปัจจัยมีสองวาระละจตุวีสกนัยในวงเล็บสกามะอุปนิสติยปัจจัยกับโนอัตถิปัจจัยในเหตุปัจจัยนะอารามณปัจจัยนะอธิปฏิปัจจัยนะอนันตรปัจจัยนะสมนันตรปัจจัยนะสหชาตปัจจัย นั้นยามัญญาปัจจัยนันิสัยปัจจัยนัุ้เรชาตปัจจัยนัปัจฉาชาตปัจจัยนัอาเสวะนปัจจัยนักรมมปัจจัยนัวิปากปัจจัยนัอาหารปัจจัยนัอินทรียปัจจัยนัชาณปัจจัยนัมัคขปัจจัยนัสัมปยุตตปัจจัยนัวิปยุตตาปัจจัยโนนัตถิปัจจัยโนวิคตปัจจัยและโนอวิคตปัจจัยมีก้าวาระโนอัติ มูลกนัยจบโนนัติทุกกนัยหกพร้ยห้าบเอดเหตุปัจจัยกับโนนัติปัจจัยมีเจ็ดวาระละอวิกตะปัจจัยกับโนนัติปัจจัยมี13าวาระในวงเล็บพึงขยายให้พิจารณาเหมือนในเหตุมูลกนัยโนนัติมูลกนัยจบโนวิกตะทุกกนัย6กพร้อยห้าสิบสอง เหตุปัจจัยกับโนวิกตปัจจัยมีเจ็ดวาระละอวิกตปัจจัยกับโนวิกตปัจจัยมี13วาระในอุเลพึงขยายให้พิสดารเหมือนเหตุมูลกานาันัยโนวิกตามูลกานาันัยจบโนอวิกตทุกกานายัย653อารามณปัจจัยกับโนวิกตปัจจัยมี9วาระละ นาถิปัจจัยกับโนอวิคตปัจจัยมีเจ็ดวาระวิกตปัจจัยกับโนอวิคตปัจจัยมีเจ็ดวาระในมงเ็บพึงขยายพิตารดาเหมือนโนอัติมูลกนัยโนอวิคตะมูลกนัยจบปั จ, จนิยานุโลมแห่งปัญหาวานจบกุศลติกะจบ